ขอความสุขความเจริญจะมีแต่ท่านสาธรชนทั้งหลายประสูตรในวันนี้จะได้พูดเรื่องสกัสูตรคือสูตรที่ว่าด้วยเพื่อนดีสหายดีเยกย์ฟมิตตีสหายดีเป็นการสอนให้สังเกตทุกคนติชนาคน แล้วก็เข้าไปคบหาสมาคมกับคนเช่นนั้นคุณธรรมที่ทรงกำหนดแสดงไว้ในที่นี้บางแห่งเราพบ ว, ว่าเป็นคุณธรรมของความเป็นครูบ้างเป็นมิตรบ้างเป็นเพื่อนบ้างโดยเนื้อหาสาระแล้วก็คือทรงสองนในคบหาสมาคมกับคนดีเ็ื่อทำหลักของมงคลสูตรนั่นเอง ก็ต่อๆกันมาตรงสามสุดเรียกว่าสกษสูตรที่หนึ่งที่สองที่สามคุณธรรมที่ส่งแสดงนั้นซ้ำกันบ้างแล้วก็แผ่ออกไปบ้างเฉพาะในที่นี้ก็ส่งแสดงหลักการสังเกตข้อแรกบรลีใช้คำของปีโยคือมีอัธยาศัยน่ารัก หรือว่าหรือแปลว่าเป็นที่รักก็ได้เกี่ยวการสังเกตตรวจสอบตูกคนลักษณะนิสัยใจคอของคนเช่นนี้เป็นอย่างไงเป็นคนน่ารักหรือไม่น่ารักในการกําหนดว่านิสัยน่ารักหรือไม่น่ารักราะคนดูที่ การแสดงออกของท่านเหล่านั้นว่ามันเป็นประโยชน์เพื่อกูลโรคบุคคอื่นหรือไม่ประตามปกติแล้วคนจะเป็นที่รักของคนอื่นกออาศัสเงื่อนไขหลักอยู่สองประการประการแรกที่ท่านเรียกว่าเป็นคนที่เคยทำบุญร่วมกันมา บางครั้งเรียกว่าปุเพกะตะพุญญตาที่แปลว่ามีบุญกระทาไว้ในการก่อนแต่ว่าในสายนี้ท่านจะเรียกว่าปุเพสันิวาสคือเคยเคยอยู่ร่วมกันมาในการก่อนคำว่าปุเพสนิวาสภาษาไทยมักใช้เรื่องหนุ่มสาวที่จริงไม่ได้เกี่ยวนะครก็เกี่ยวนั่นแหละแต่ว่าไม่ได้เจาะจงอย่างนั้นหมายความว่า ม่แง่ของสังสารวัฏแล้วเนี่ยพระเจ้ารับสั่งว่าคนเราไม่เคยเกี่ยวข้องกันน่ไม่มีเพียงแต่ว่ามันนานหรือว่าไม่นานเท่านั้นเพราะแนวการเกี่ยวข้องที่ใกล้ชิดแล้วก็มีความต่อเนื่องเป็นความรู้สึกที่เก็บสะสมไว้ภายในใจทั้งเป็นมิตรและเป็นศัตรูเพราะนั้นก็แสดงออกมาคือเห็นปั๊บมันก็มีความรู้สึกอย่างนั้นออกมา แล้วก็ไม่ได้เกี่ยวกับรูปร่างหน้าตาสถานะอะไรของท่านนะครับมันแต่เป็นความรู้สึกภายในใจแต่เตราเห็นว่าคนบางคนเราพบปั๊บเราเกิดชอบปุ๊บทันทีเกิดรู้สึกเคารกรู้สึกรักรู้สึกนับถือรู้สึกศรัทธาแต่บางคนพอเห็นปั๊บเราเกิดไม่ชอบทันทีเหมือนกันอาจจะรู้สึก หมั่น้ายรู้สึกเกลียดรู้สึกไม่ชอบรู้สึกเบื่ออะไรแต่ไดเนี่ยทั้งๆที่ว่าเพิ่งพบ ก, กันในตรงนี้ท่านถือว่าเป็นอิทธิพลจากกติตกรรมเป็นเรื่องของการเคยอยู่ร่วมกันมาในการก่อนดรืยความเป็นมิตรก็มีด้วยความเป็นศัตรูก็มีคราวนี้ท่านท่า น, ท, านท่านลองสังเกตโครงสร้างใหญ่ระหว่างพระเทวทัตกับพระพุทธเจ้า แต่ละาพบแต่ละชาติพุท่านก็ดีๆนะท่าบริษัทท่านก็ดีๆเป็นที่เคารพนับถือสักการะของคนทั้งหลายแต่สําหรับพระเทวทัวทตท่านไม่ชอบตลอดแม้จะทําดียังไงก็ไม่ชอบจนถึงมาชาติสุดท้ายมันก็เป็นญาติเป็นลูกพี่ลูกน้องกันหมดแล้วก็มาเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าแต่ก็พระเนรธาเบียบเบียดพระพุทธเจ้ากันได้ นี่ก็เรียกว่าเคยอยู่ร่วมกันมาในฐานะที่เป็นศัตรูกันมาแต่บางคนก็เกิดมีความรู้สึกผูกพันอย่างที่เคยเล่าเรื่องท่านอุบาสกบาซิกาสองคนน ก, กุลบิดานั ก, กุลมารดาเห็นพระพุทธเจ้ามันก็มีความรู้สึกเป็นลูกแล้วลูกของท่านเองนะฮะพอเห็นพระพุทธเจ้าก็มีความรู้สึกเป็นพี่ มันรู้สึกอย่างนั้นแล้วก็เรียกเขาไปอย่างนั้นเดี๋ท า, ทางมาโดยเนื้อหาสาระเขาก็รู้ว่าพระเจ้าเป็นใครแต่ในความรู้สึกของเขาเองก็รู้สึกว่าเป็นลกูกแล้วพระเจ้าเองก็สรงยอมรับพระก็คล่องใจสงสัยว่าเอ๊ะไปยอมรับได้ยังไงพระเจ้าบอกว่ามันเป็นความรู้สึกผูกพันทางใจ เพราะสามีพญาคู่นี้เคยเป็นพ่อแม่ของพระองค์ต่อกันมาห้าร้อยชาติคือเป็นลุงป้าต่อกันมาห้ารอยชาติเคยเป็นนาอาเนี่ฮะต่อกันมาห้าร้ชาติก็แสดงพันห้าร้อชาติมันก็ผูกพันเยอแล้วก็ต่อด้วยนะฮะต่อต่อต่ อ, ต, อต่อกันไปตรงนี้ที่จริงก็ได้แนวอย่างหนึ่งที่คนซึ่งมีความรักคร้ผูกพันกัน แล้วขอพบกันต่อไปในชาติหน้าถึงท่านอา ก, กุลบิดานา ก, กุลมารดาท่านก็กรบทูนถามพระพุทธเจ้าเหมือนกันแต่ไม่จะถามระหว่างท่านกับพระพุทธเจ้านะฮะถามระหว่างท่านสองคนเอ ง, mm. ม ง, องเมื่อตั้งแต่เป็นสามีภรรยา ก, กันเนี่ยไม่เคยทะเลาะ ก, กันเลยไม่เคยขัดแย้งกันเลยก็ mm. ถ้าหากว่า mm. เลือกได้ ตายไปแล้วเนี่ยอยากจะเป็นสามีพัญญากันอีกจะทำได้ไหมพุทเจ้ารับสั่งว่าได้โดยปรับคุณธรรมสี่ประการให้อยู่ระดับเสมอกันทรงใชก้กรรมสมานะฮะแปลว่าเสมอกันสม่าเสมอกันยิสธาสมาคือมีสธาเสมอกันศีล ส, สมามีศีลเสมอกัน จากคัสมามีการเสียสละเสมอกันมีปัญญาสมามีปัญญาเสมอกันแล้วก็จะเกิดร่วมกันในฐานะพ่อแม่ลูกในฐานะสามีภรรยาในฐานะเพื่อนกับเพื่อนในอะไรกับมันรูน้แหละก็แล้วแต่นี่คือแนวแนวความรักที่มันเกิดจากภูเพศนิวนัดเคืออยู่ร่วมกันมาในการก่อดในปัจจุบันก็คือ ปฏิบัติตนเกือกูลต่อกันในปัจจุบันก็คือแนวญาติแนวญาติที่ท่านแสดงไว้แนวแนวญาติมิตรนะฮะที่ท่านแสดงไว้สองแนวแนวหนึ่งเป็นเรื่องของความผูกพันทางใจที่จริงก็อาศัยอิทธิพลของอดีตกรรับอยู่ไม่น้อยนะฮ ะ, ะการที่มาเกิดร่วมกันเป็นญาติพี่น้องก็แสดงมาเคยทำบุญ ร, ร่วมกันมากก็มีความรู้สึกรักใคร่ผูกพัน อีกอย่างหนึ่งก็คือปฏิบัติตนเครือกูนต่อกันที่เราพูดว่าวิสาสาปรมาญาติคือความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างจริงก็สมครอนุครอบกันเคื่อกูณต่อกันถึงบางครั้งอาจจะมีความรักใคร่สนิทสนมมากกว่าเป็นญาติโดยสายลูหิตโดยซ้าไปาแสดงว่าการที่ใครจะมีอัธยาศัยน่ารักหรือไม่น่ารักเนี่ย มันจะต้องมีปัจจัยเสริมเข้ามากระตุน้นเคเตือนกันแต่ถ้ามีทั้งสองอย่างมันก็แข็งแรงอ่ะนะฮะถ้ามีทั้งสองอย่างก็แข็งแรงเราลองดูตัวอย่างที่จันทกินรีชาดกที่ท่านเล่าแต่เล่าถึงตอนพระเจ้าเสด็จออกโนวดแล้วก็มีคนนำอกกระดูกมาให้พระเจ้าสุโธธนะดูให้นางพิมพาเยโสธราดูว่าเจ้าชาตทีสละตายแล้ว เดี๋วกระดูกไมา้ดูสองคนเหล่านี้ก็ไม่เชื่อสองวง น, นี้ไม่เชื่อมีความมั่นคงไม่ไม่มีความรู้สึกเปลี่ยนแปลงอะไรเลยนั้นแสดงความผูกพันยาวนานที่มันฝังอยู่ในสายเลือดเป็นพ่อแม่เป็สนสามีพันยากันในชาโดกรเราเห็นว่าก็ส่วนมากแล้วก็เป็นพ่อเป็นพ่อลูกกันมาแล้วก็เป็นสามีพันยากันมา ปฏิบัติตนเกือกูในปัจจุบันด้วยแล้วก็อาศัยบุญที่ทําร่วมไปมาในการก่อดตัวมันก็แข็งแรงเลยจิตใจก็ไม่หวั่นไหวไปตามไอ้เงื่อนไขอะไร ต, ต, ต่างๆที่มีขอาจาจะมีคนวายุจะมีคนใส่ร้ายจะมีคนคนอะไรก็ตามแต่จะไม่เกิดความแตกแจกเราลงว่าในข้อนี้เราก็ไม่รู้เรื่องอดีต่นะฮะว่าอดีตเนี่ยมัน เคยทำบุญร่วมกันมาหรือไม่แต่ประเดน็นสําคัญก็รับผิดชอบในปัจจุบันคือพยายามทําตัวเองเป็นฐานให้เป็นที่รักของบุคคลอื่นเป็นที่รักเป็นที่เมตตาเป็นที่เคารพก็แล้วแต่ก็ตามสมควรแก่ฐานนั้นคนอื่นก็ยินดีจะคบหาสมาคมเป็นมิตรเป็นสหายที่มีความสุขสบายมีความจริงใจกัน ประการต่อไปคือเป็นที่คารพหรอหนาคารพบมันออกมาจากคำว่าคารุหรือคำว่าคารวะหรือคำว่าคารพบนั่นเองนะลักษณะตรงนี้ถ้าเราดูโดยพื้นฐานของธรรมะปฏิบัติเป็นการวางตัวของท่านภูนันเองดูแล้วมันน่าคารพบ น, นานับถือแล้วไม่เคยไม่เคยเกี่ยวกับวัยอะไรเท่าไหร่นะฮะ ไว้สูงมันก็กลายเป็นตัวเสริมแต่ตัวหลักจริงๆก็คือแสดงความมีคุณธรรมออกมาเป็นคนที่เราเรียกเคารพก็คือหนักแน่นสิ่งนี้หนักแน่นก็มีสองประเด็นหลักหนักแน่นด้านความรู้เชื่อถือได้ปูชาอะไรมาก็เป็นหลักเป็นฐานหรือความหนักแน่นมีหลักมีเกณฑ์ สามัญคำพูดก็ท่านมีน้ำหนักอย่างหนึ่งคือการประพฤติปฏิบัติบางทีท่านท่านท่านท่านบอกว่าบุคคลเจนเนียควรแก่การเคารพเสมือนกับชัดหินคือการประคองชัดหินชัดเดยก็ทำได้หินมันก็หนักเดี๋ยวก็เปราะบางนะฮะถ้าลมก็แตก ท, ที่นี่ทำยังไงวาประคองไม่ให้หัก ไม่ให้ตกมาให้แตกเราก็จะเห็นความสำคัญของตัวจัตถินตรงนั้นว่ามีค่าที่ควรแก่การนันถนอมรักษาแล้วก็ประคองเอาไว้เพื่อมาให้ตกแตกหรออือหักไปก็แสดงว่าเราต้องมองเห็นคุณค่าต้องมือมองเห็นคุณคุณค่าของบุคคลผู้นั้งก่อน จึงให้เกิดความเคารพเราก็เห็นคุณค่าในานความรู้ของท่านในด้านความประพฤติของท่านซึ่งท่านในในวงการชาวบ้านในลองสังเกตว่าแม้แต่อย่างเดียวมันก็เป็นหลักแล้วนะอย่างเดียวเช่นสมบรูรณ์คนเนี้มีความรู้ดีเป็นนักปราชฉลาดหลักแหลมสูนทนผู้ขี่เมานะะเป็นนักลาทธิแต่เราก็นับถือท่านนับถือภูมิปัญญานะ้าถือ คําสอนคติธรรมต่างๆความเป็นกวีของท่านแต่เราไม่สนใจความประพฤติอท่านความประพฤติก็กลายเป็นเรื่องส่วนตัวเรารองดูนักปราชญ์ทางโลกจะมีลักษณะอย่างนั้นเพีงเขาไม่ค่อยติดใจในตัวความประพฤติแต่ถ้าได้มันก็ดีนักปราชญาบางคนมันก็ไม่มีหลักอะไรเท่าไหร่ในด้านความประพฤติเร่เวความรู้ขมข่มเก่ง หรือว่าอะไระสามัคคีเพศคำฉันชิดบุรทัศน์ผู้เขียนสามัคคีเพศคำฉันก็เมาเหล้าตลอดแต่เ้าไม่ได้สนใจเรื่องเมาเหล้าท่านก็แสดงว่าในคดีโลกจริงๆเขาลดอะไรลงไปพปอสมควรเงื่อนไขให้ได้สักอย่างความรู้ดีก็ได้ความพิเดีก็ได้ความพิเศดีเขาก็เคารพนักถือในฐานะที่เป็นคนที่มีคุณธรรมความรู้ดีเขาก็ไม่ติดใจตรงอื่นท่าน แต่ก็ติดใจที่ตัวความรู้ของท่านเขาก็ยกย่องช่วยชูในจุดนี้อย่าถ้าได้ทั้งสองอย่างก็เยี่ยมเลยนะฮะทั้งสองอย่างก็ดีสรุปว่าความเคารพมันก็เกิดขึ้นจากพื้นฐานการปฏิบัติตนของท่านเหล่านั้นแต่ลองสังเกตมันก็สืบเนื่องมาจากจากบุญของท่านเหล่านั้นอยู่ด้วยที่สร้างความน้มเอียงสร้างลักษณะนิสัยให้ มีความพอใจยินดีในกุศลละธรรมแต้ก็ศึกษาปฏิบัติพัฒนาตัวไปจนพิธีเคารพเป็นที่ยอมรับนักถือศรัท ธ, ธาของบุคคลทั้งหลายทางการก็ผ่านสมาคมกับคนที่มีลักษณะอย่างนี้มันมีแตไ่ได้ไม่มีเสียได้ความรู้ได้เหตุผลได้หลักในการปฏิบัติ บัดกนได้ในเรื่องของความคิดความอ่านจากท่านคือบางครั้งบางคราวเราจะเห็นว่ามันประโยคสั้นๆนท่านบูเดนพูดประโยชนสั้นๆแต่มันประทับใจมากอย่างใกล้ๆ ก, ก็เราเอาการนิยามความหมายประชาธิปไตยของอับราฮัมลินคอนมาพูดการปกครองโดยประชาชนเพื่อประชา ของประชาชนเพื่อประชาช น, นโดยประชาช น, นก็พูดหรือพูดคำสั้นๆหนึ่งเองเนะฮะพูดมาตั้งร้อยกว่าปีแล้วแต่ปัญหาคนพูดไพร่เราะเท่า น, นั้นไม่ได้ครับเราก็นับถือที่ท่านพูดได้เพราะมากไปที่ไหนพูดประชาธิปไตยก็เอาตรงนี้มาอ้างตรงจีว่าคนทั้งโลกไม่รู้สักี่พันล้านคนมัญหาคนพูดให้ไพร่เราะขนาดนี้ไม่ได้ คำพูดเดยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยแต่มันพูดได้กระชับมากไปเราะมากคำไม่กี่คำก็เรียกว่าเป็นอมตะวาจาเห็นไมเรานับถือคําพูดเราไม่ติดใจรายละเอียดตรงอื่นเลยติดใจรูปร่างหน้าตาไม่ติดใจตรงอื่นแม่ติดใจที่ตัวคําพูดของท่นทนั้นเองหรือพวกใช่ที่ท่านมาตมะคันธีนี่พูด เราไม่ต้องถามว่าอินเดียจะให้อะไรแก่เราแต่เราควรจะถามว่าเราจะให้อะไรแกอินเดียพูดโดยเพลาะมากนะแล้วก็หลังจากนั้นอีกตั้งนานจอเดฟคเนดีก็ออกไปพูดก้นดังระเบิดโลกอีกมีคนพูดประโยคนี้สามคนนะฮะแต่มันก็ดังคนพูดเดินจริงๆก็คือมหาธมาคันที นี่ก็คือแนวแนวที่เราเรียกว่าความน่าเคารพเนี่ยที่จริงไม่ใช่ความสมบูรณ์เราไม่จะถึงกสมบูรณ์หรอกให้ดีอะไรสักจุดหนึ่งสักอย่างหน่ก็เป็นที่เคารพได้แล้วก็เราก็หาสมาคงกับคนเหล่านั้นเราก็ได้ประโยชน์ในจุดนั้นคล้ายๆแต่เราเข้าป่า ต้องการอะไรจากผลไม้ล่ะต้องการใบต้องการดอกต้องการผลต้องการเปลือกต้องการกิ่งมันก็ได้ประโยชน์ในจุดนั้นมันไม่ใช่เรื่องความสมบูรณ์ความสมบูรณ์นั้นเป็นเป้าหมายที่เป็นอุดมการแต่นั่นเองแต่จริงเราสามารถจะทำได้ด้วยด้วยความรู้ รือบางทีก็ด้วฝีมือนะฮะด้วฝีมือด้วยความสามารถในด้านใดด้านหนึ่งก็เป็นที่เคารลของคนในด้านนั้นๆก็อย่างแนวของศิลปะทั้งหลายที่ทรงแสดงในมงคลรสูตรว่าจะลาดในศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะคนก็เคารพนักถือในจุดนั้นหรือว่าที่สุดตอนผู้ออกมายามนะฮะรั้วอะไรก็จ่างไปอย่างเดียวได้เชื่อชันเถิดจะเกิดผลคนก็เคารพในจุดนั้น ในจุดที่ท่านชำนาญนนะ่ะไม่แต่ทำน้ำพริกเก่งคนก็เคารพต้งสือนะคนก็มาศึกษามาแล้วเรียนและเอาดีให้ได้สักจุดเอาเด่นให้ได้สักจุดก็เป็นที่เคารพของคนในจุดนั้นเขาไม่ค่อยติดใจในรายละเอียดมากสังคมจริงๆนะฮะไม่ติดใจในรายละเอียดมาก แต่ว่าสังคมคนพานก็นิยายไม่ได้กัน น, นะนะมันก็หาทางเอาพูดเฉพาะด้านไม่ดีประการต่อไปฉลาดในการพูดนะบาลีว่าวัตตาคือพูดเป็นเข้าใจพูดมีวิธีในการพูดสามารถสื่อสารติดต่อให้ความรู้ความเข้าใจให้ความประทับใจแก่คนต่างๆได้ ในที่เราเรียกว่าสุภาษิต ท, ทั้งหลายเนี่ยท่านจะเห็นได้ว่าคำที่สุภาษิตเป็นคำสั้นๆบรนทัดสองมันทัดสามรันทัดแต่มันเพาะมันคมมันเต้นได้นะมันพูดแล้วมันเต้นได้แล้วสามารถนำไปขยายความอทธทิบายความมันเกิดคิดทราบซึ้งดื่มด่ำ แต่ทีนี้การการพูดตรงนี้ปัญหาสำคัญมันไปสอดรับกับเรื่องขององศพปริศธรรมปริศธรรมเจ็เนะฮะหมายความว่ า, าที่จริงก็คือการใช่เหตุผลเรียกอัธนยิยตตาธรรมันิุตตาการใช้เหตุใช้ผลมันเหมาะสมแก่ฐานะของตนคือคำคาพูดตรงนี้แต่คนบางคนออกไปพูดมันไม่มีน้ำหนักหรอก แต่คนอีกคนหนึ่งออกไปพูดกลับมีน้ำหนักในคำพูดตรงนั้นคนบางคนออกไปพูดอาจจะถูกหัวเรายาะ ก, ก็ได้เห็นไหมตัวคนเนี่ยค่อนข้างสําคัญว่าใครเป็นคนพูดประโยคนี่ก็ต้องอาศัยหลักเขาเรียกว่าอัดตันยุตาคือท่านผุ้นันต้องรู้จักตัวขอท่านว่ามันเหมาะครมก่บการที่จะพูดหรือไม่เราอยู่ในฐานะที่จะพูดอะไรได้ไหมตรงเนี้ถ้า พูดแล้วมันไม่ได้ประโยชน์อะไรก็ไม่ต้องพูดเพราะฉะนั้นแนวคติโบราณที่ท่านสอนไว้พอพูดไปสองไปเบีย้ยนิ่งเสียตะมึงทองนั้นเป็นการวิเคราะห์คําที่พูดและผลกระทบจากการพูดว่าเราควรจะพูดหรือไม่ควรจะพูดไม่อเช้าเนี่ยอ่านหนังสือพิมพ์พาดหัวหนังสือพิมพ์ฉบับนี้แปลกตั้งแต่รัฐบาลนี้เกิดขึ้นแกไม่เคยไม่เคยพูดถึงรัฐบาลในทางดีเลยด่าทุกวัน แปลกมากๆเลยบอกว่ารัฐบาลอย่างหนาไม่โต้อตอบฝ่ายอเทิรีวิวที่ที่เขียนโจมตีนะมันแปลกนะฮะหลักรัฐศาสตร์เนี่ยอกโกทางอาวิหิงสัญจาขันตินจะวิโรธนายนะฮะนี่เขาปฏิบัติตามหลักทศวิทราธรรมเลยเรื่องอะไรรัฐ บ, บาลเนี่ยลงมาทะเลาะกนันซื้อปีมเป็นทะเลออาะชาวบ้าน มันต้องอดกลั้นต้องอดคนอะแล้วต้องไม่ทําอะไรให้ผิดจริตหมดนี่คือทศพิทราชจะทำเลยทำไมเขาเขาก็เก่งนะแ่จริงอันนี้ น, นี่เขาก็ถือแบบทศพิทราชาปรากฏว่านังสืบปีมหาวิาอย่างหนาหาว่าเป็นความด้านทาั้งๆที่มันเป็นขันติคือเราจะเห็นว่าถ้าถ้าเราจะไปด่ากันเนี่ยมันไม่ได้เรื่องอะไรรัฐบาลมันมีหน้าที่ทําก็ดื่นมีหน้าที่วิจารณ์เพราะว่ะว่ากันไป คนชอบพูดอย่างคนชังพูดอย่างเราตามไปแก้แล้วก็ไม่ต้องทําอะไรอนะฮะไม่ต้องทำอะไรไะไ ร, รัฐบาลไม่มีหน้าชี้ไปอย่างเนี้ยรัฐบาลต้องมองเป็นสากลมองคนคือผู้ที่เราจะต้องดูแลรับผิดชอบทุกคนแล้วต้องไม่มีความคิดกับใครเป็นศัตรตูกับใครก็ดื้อคิดก็เรื่องของเขาแต่เมื่อเรามาอยู่ตรงนั้นเมื่อกษัตสดาเนี่ยะมันก็พระในคิดก็ดื้อเป็นศัตรตูไม่ได้ก็ดื้อคิดก็คิดไป็นเรื่องเรื่องของเขาแต่เราไม่มีสิทธิคิดเพราะสถานภาพของเราคิดไม่ได้ แต่เมื่อเลิกไปอยู่ฝ่ายหนึ่งคิดก็คิดแต่ว่าเล่นบทตรงนี้ไปคิดเป็นศัตรูกับใครไม่ได้แม้แต่ก็ฝ่ายค้านเองรัฐบาลไปคิดเป็นศัตรูไม่ได้แต่ฝ่ายค้านเขก็มีหน้าที่อะก็ค้านค้านเขาค้านไปสิอันนี้คือคือคือเราจะเห็นว่านี่คือธรรมะปฏิบัติอวิโรธนะอักโกทางไม่โกรธอวิหิงสาไม่เบียดเบียนขันติอดทนนี็ไหมทศพิทาจะทำมีพรวดเดีสี่ข้อเลย กลายเป็นคนเลวฮะนังสือพิม์ดาเป็นคนเลวไปก็ถือว่าแปลกมากไปลองอ่านดูก็ได้นะะพลาดหัวไม่ช้าเออแปลกธรรมะปฏิบัติคนปฏิบัติธรรมะกลายเป็นคนเลวเพราะฉะนั้นถ้าถ้ า, ถ, าถ้าเราจะไปโต้อตอบที่แจงมันก็ปล่อยกันใหญ่มันก็ปลยกันใหญ่เขาก็ปล่อยเขาว่าปัญบางชีเนี่ยการพูดเนี่ยฉลาด แต่ต้องพูดเป็นบางทีไม่พูดก็คือฉลาดปัญหาว่าภาคปฏิบัติในชาอย่างไงคือความเหมาะความควรนี่ท่านพูดถึงความเหมาะความควรไอ้ยางงี้มันเหมาะมันมันมันเหมาะอย่างนี้ควรอย่างนี้ก็ทําอย่างนี้ไอ้ความเหมาะความควรตรงนั้นปัญหาว่าใครทําด้วยนะฮะเราเห็นว่าใครทําด้วยแล้วทําที่ไหนทําเวลาอะไรด้วยมันหลายเรื่องนักเกิดหลายเรื่องนักเกินมันดูกลุ่มคนดูบุคคล ความเจรจาตรงนี้ให้เราลองสังเกตว่าบางทีมันต้องหาคนเพรเรื่องตัวเนี้ยที่จึงพูดไม่ไม่ยาวอะ่ะแต่ปัญหาว่าใครพูดล่ะจะให้ใครพูดยัได้เคยนานมาแล้วที่เราพูดเรื่องมหาเป็นนิพพานสุดกันนะฮะปัญหาว่าทําไมพระพุทธเจ้าตรงไปนิ้ผ่านต่กรสินาราโดยทรงประชวดอยู่ที่กรุงไผลาลีนะฮะ เรื่องประชวนตั้งแต่ตั้งแต่ในบรรษาที่ปู๋เขาเขียนจกรดที่กรุงราชคือกอนกอนข้าบรรษานะฮะก็ท่งพระชรามา ก, กเกิเหน็ดเหนื่อยมากนะฮะก็ชราไม่เท่าไรเราแปดสิบอะ่ะคนแปดสิบสมัยนี้ทังแข็งแรงก็มีเยอะเลยทำไมพระเจ้าต้องไปนิพานทั้งคนศรีนาราที่ปาวาก็แย่แล้วนะฮะปาวาก็เดินไม่ค่อยไหวแล้วมันจะหามกันแล้วนะหยุดพักตั้งยี่สิบห้าครั้ง เดินเดินนอนต้องพักเดินเดนต้องพักนะเอ๊ะทาไมต้องไปนิพพานในกุศลนาราก็ทรงให้อิทธผลไว้นะฮะว่าปัญหาต่อไปนี่เราเห็นว่าผู้ใหญ่ในยุคนั้นนี่นิพพานตายเยอะเลยทุกคนเป็นหลักพระเจ้าประเสนนิโกศนพระเจ้าพิมพ์ิสารอะไรอะไรก็สวรรค์ตไปพระเจ้าสุตโธธนะก็นิพพานไปพระสารีบุตรนิพพ า, รรานระม็อกกลานานิพพานผู้ใหญ่ไปกันเยอะเลยไม่มีใครเป็นหลัก พระหมากระจะียรนาก็อยู่สุไกลที่อุชเชนีด้วยเพราะฉะนั้นการพอพระเจ้านิพานปนั๊บเนี่ยพระเจ้าทรงเห็นว่าการแย่งอธิธาตนี่แน่นอนท่านนิพานที่อื่นไม่มีหลักเลยไม่มีใครเป็นหลักพระก็ห้ามไม่ได้นะพวกกษัตริย์จะรบ ก, กันเนะี่ยแต่ว่านิพานที่นั้นมันมีท่านโกนทันยะไอ้ท่านท่านธู น, นพราหมณ์อยู่ ท่านโทนทรามอยู่ท่านโทนพรามนั้นเป็นคณาจารย์สั่งสอนพวกกษัตริย์เพราะนั้นพวกกษัตริย์เหล่านั้นคือลูกศิษย์ของโทนทราแล้วต่างคนต่างก็เป็นพุทธศาสนาตัวสาคัญก็คือโทนพรามเนี่ยเป็นอาจารย์ลูกศิษย์ทะเลาะกันพอโทนพรามพูดทุกคนต้องฟัง ก็หวังฝากไว้กับโถนธรรพราหมณ์ไม่ให้เกิดเรื่องไม่ใช่ว่าพอศาสตานิพานลูกศิษย์ทะเลาะกระดูกกันฆ่ากันตายแล้วก็ยุ่งพระเจ้าก็ต้องไปเถอมตัวนรรมพราหมณ์พูดสั้นๆนิดเดียวดูราคานิกรเจ้าทั้งหลายก็ท่านทั้งหลายจงฟังค้อยคําอันเป็นเอกของข้าพเจ้าซึ่งจะต้องปฏิบัติตามโดยส่วนเดียวพระพุทธเจ้าเรานั้นเป็นขันติวัถีทรงสรรเสริญการอดกั้นการอ ด, รอ ด, รอดทน การในพวกเราซึ่งเ ป, ป็นลูกศิษย์ของเราพู้แตเจาจะมารบทะเลาะเพื่อยื้อแย่งพระบรม ส, สารีริกธาตุของพระองค์นั้นไม่ควรมันแสดงว่าเราไม่ได้มีธรรมะคือความอดทนดำแบบประศาสดาเราขอให้พร้อมใจกันมาช่วยกันแบ่งทุกคนรู้สึกได้มันไม่ีใครเสียแต่รบเป็ไม่แน่นะรบเนี่ไม่แน่อาจจะมีคนตายก็ได้ ทุกคนตรงนี้ต้องมาเพื่อได้พระบรมสาริกาตทุกคนได้แล้วก็ไม่มีใครเสียพูดเสียก็ได้นั้นคือพูดเป็นแล้วก็สถานะเนี่ยฮะคนอื่นไปพูดประโยคนั้นไม่ได้บางทีก็โดนป่าหัวแต่โทรตามพระมาจา น, นพูดได้นี่คือหลักที่เราเรียกว่าพูดเป็นเข้าใจพูด ที่ท่านแสดงในคุณสมบัติของผู้ผู้ที่จะพูดเป็นเดี๋ยข้าข้าจพูดแม้ในในองค์ที่ครองกระถินอย่างราชธานภาพรักถิน่นในในคณะ ร, รมยุทธนะฮะ ม, มันมันมีมีคำมีคาแสดงลักษณะก็เรียกว่าแสดงเรื่องเหล่านั้นได้ชัดเจนมีเหตุมีผลพูดแล้วฟังชัดนะ วันก่อนวันไปนั่งคุยกันหลายหลายรูปปรารถเรื่องเรื่องคําแปลคําหนึ่งอ่ะคือแปลแล้วบางฟังไม่รู้เรื่องสิริโพคานามาสโยูนะเราแปลว่าสีเป็นที่มานอนแห่งโพคายงฟังแล้วมึนเลยเด็วก็ตั้งมัาถามมายัางไงอาจารยมาบอกว่าแปลว่าสิ่งดีดีงามทั้งหลายนั้นจะหลั่งไหลมาสู่ม า, มาสู่ผู้ที่มีบุญทั้งนั้น เมือนกับของคนถวายในหลวงเมือนถวายตเนเองย่าเยเนี่ยสิ่งคือมิ่งขวัญสิ่งดีๆทั้งหลายมันมันไหลมาสู่คนมีบุญเอาของมีค่าบรรเทรหลุตัวเองรักษาไว้นะฮะแล้วเอามาถวายมาให้เอาไปอย่างนั้นะไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ต้องไปติดใจสับนะนะของของดีๆมันเกิดแก่ผู้มีบุญมันมาเองมาเขาให้ก เรายินว่าวัดบางวัดอย่างวัดพระอาจารย์สมชายเขาตุกริมเนี่ยอะไรตัวอะไรมาเป็นตับไปหมดเลยอันเนี้ยมันมันเป็นอย่างนั้นหรืของถวายในหลวงในหลวงพระพุทธรูปเป็นพันพันนก็ถวยัยต้นเด็กระเทศเองก็เป็นพันพันดีดีใช่นหมนะฮะกัถวัยฐานที่เก็บยัไม่ได้นี่นี่นี่นีคือแปลใหม้มให้มันฟังได้นะใมันฟงังความรู้เรื่องเราก็แปลไปอย่างเงี้ยนานเกือบร้อยปีแล้วนะเราแปลไปอย่างเงี้ยแปลอย่างเงี้ยแล้วถามกัหมายความมัอย่างไง มันก็ต้องอธิบายเป็นในไทยอย่างเงี้ยสุภาษิตําเป็นสุภาษิตแล้วก็มีเหตุมีผลก็มีลักษณะเชิญชวนโน้มน้าวจิตใจของบุคคลท่านทั้งหลายลองลองลองสังเกตว่าเพลงเช่นเพลงสมัยหลวงวิจิตรเนี่ยนะทุกวันมันก็ ก็ยังดีอยู่เหมือนเดิมมานะเพลงสมัยร้อยปีที่แล้วบูรรันร้อยเลื่อนอะไรแต่ไหนในเห็นนะฮะภาษาภาษาที่มันดีมันทันสมัยอยู่ตลอดฟังแล้วให้ความซาบซึ้งให้ความดื่มดำให้ความประทับใจโบราณโบราณพาสสิทธิ์อย่างนี้วาจาสัตว์เป็นวาจาไม่ตายเงี้ยโบราณก่อนพระพุทธเจ้าอีกประโยคสั้นๆเดียมันมันมันมันคม คนพูดโดยมันกินใจกินประทับใจก็นำถ่ายทอดเข้ามาเลยเอามาพูดได้เดๆนั่นคือเรียกว่ามันสแสดงเหตุผลอะไรได้อย่างชัดเจนภาพมันชัดเป็นเป็นอะไรก็เรียกว่าภาพมันสร้างพจน์พจน์มันสร้างภาพหมายความพจน์มันสร้างภาพภาษาเนี่ยมันมันพอฟังปั๊บมันออกมันเป็นภาพได้ ในปัจจุบันเราจะเห็นว่าอย่างทีวีเนี่ยมาเล่นทั้งภาพทั้งพจนอ่ะเลยมันยุดครองสังคมได้เยอะเลยคนเรียนจะสังคมเพราะว่าคนเรียนจะทีวีเพราะทีวีมันให้ทั้งภาพทั้งพจนวิทยุนั้นคนต้องเก่งนะฮะพูดวิทยุแล้วคนติด ต, ติดตามราะวิทยุมันให้เฉพาะพดแล้วพจน์ก็สร้างภาพได้เพราะการการที่ใครก็ตามจะมีประโยชน์การพูดจะสร้างสร้างเป็นภาพได้นี่เขาถือว่าเก่ง แล้วก็มีการปลุกเร้านะะมีการปลุกรา้ามีการกระตุน้นมีการเสริมสร้างจิตสำนึกของบุคคลเหล่านั้นที่จะให้ทำให้ได้ประพฤติให้ได้ปฏิบัติให้ได้จิตสำนึกที่จริงกระตุ้นเตือนขึ้นมายากแต่ว่าถ้าสร้างขึ้นมาได้แล้วมันก็เป็นฐานให้แก่ตัวเขาเองคนรู้สึกเพลินรู้สึกพร้อมที่จบฟังนั่นก็เรียกว่าขั้นใจพูด เพราะงั้นพอเรามีปัญหาเนี่เราเข้าหาท่านเหล่านี้หาท่านเหล่านี้มันมันได้หลักบางทีท่านท่านท่านพูดอะไรให้สั้นๆท่านพูดอะไรให้สั้นๆแต่ทำให้เราได้หลักเพราะการครบหาสมาคมกับท่านเหล่านี้ จะเป็นที่พึ่งพรรมนักในการดําเนินชีวิตในการแก้ไขปัญหาในการเสริมสร้างอะไทัศนคติต่างๆก็สรุปรว่าคบหาสมาคมบัณฑิต น, นัะฮะเข้าข้าวกล้ชิดสนิทสนมกับบัณฑิตในวันนี้ท่านๆลอดสังเกตหนังสือพิมพ์สยามรัฐเนี่ยตั้งนานเลยนะฮะยังนึกว่าท่านคริสตถึงกนนิจกรรมช่วงนี้มันมันไปไปไปไปสมฝันกับสมเด็จย่าถ้าว่าหลังอย่างนี้นะฮะถาวายประพฤึงไปแล้วนู่นน่าดู สือพิมจะเล่นเยอะเพราะว่าคนนี้คนนี้ก็เรียกว่าอีกหลายร้อยปีจาจังเกิดนะนะคงจะหาะภายในร้อยปีนี่คงไม่มีนะนะคนขนาดนี้เดายจะหายากมากมันรอบรู้จะสารพัดแล้วเข้าถึงนะเข้าถึงแต่ละสายแล้วคนละสาขากันด้วยเนื้อหาวิชาที่ท่านเข้าถึงเป็นเรื่องคนละสาขาคือแสดงว่าเก่งมากๆจนมีผู้ใหญ่ ท่านหนึ่งเคยคิดว่าเอ๊ะทํำยังไงนะจะเอาสมองท่านคริสต์ไว้ได้ใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์รักษาไว้ได้ก็สิ่งเหล่านี้เราจะได้อะไรอีกเยอะนะฮะจะได้อะไรอีกเยอะเอามาอ่านตอนนี้ก็บางลอกเทพลอกเทปไรปดูท่านพูดพูดไว้เนี่ยเขลอกเทพออกมาไว้แต่ก็คมๆไม่ใช่เล่น น, นะนะนั่นคือพูดเป็นได้หลักได้เกณฑ์แล้วก็ ประการที่สี่คืออดกลั้นอดทนต่อการพูดหมายความว่าเราเร า, เราปฏิบัติตัวกับท่านน่ะนะอดทนได้อดทนได้การเกี่ยวข้องกับคนเนี่ยถ้าอดทนต่อคำพูดเขาไม่ได้เนี่ยมันก็ก็กลําบากคือบางทีอะไรที่เขาเรียกว่ารู้เท่าไม่ถึงการคำพูดแบบรู้เท่าไม่ถึงการ ถามปัญหามันทีก็สร้างปัญหามันลองฟังฟังดูดีก็นักข่าวมาถามนะฮะถ้าผู้ใหญ่ที่ฟังแล้วก็ไม่ทนนะนะฮะ้วก็เสียหลักให้ลองสังเกตคนที่ตอบปัญหาสุ ข, ขุมมากเนี่ยคุณมีชัยรอจุพั น, นตอบดีมากๆากเลยไม่ว่าถามยังไง ไม่ว่าถามยังไงยิ้มแล้วก็ตอบแล้วก็นิ่มแล้วก็คมแน่นนะฮะประโยคไปทานเนแน่นมากเลยเมื่อวานนี่ก็ตอบตียเรื่องจะแก้มาตราสองหนึ่งหนึ่งคือไม่รู้ทําอะไรไปอ่านรัฐธรรมนูญดูไม่รู้จะทําอะไรอแล้วต่างคนด่างไม่รู้รัฐธรรมนูญนี้คนอื่นมาแก้ไม่ได้นอกจากนอกจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับวุฒิสมาชิกกฎเกณฑ์ก็บังคับไว้เพื่อไม่ต้องการแก้แล้วแก้อีก แกอย่างนี้มันก็ไม่ไม่ต่างอะไรกับทหารนี่เขาทาปฏิวัตินั่นแหละแล้วรัฐมนูนประกาศใช้ไม่กี่วันมันก็ปฏิวัติยกเลิกรัฐมนุนจะร่างใหม่อีกะมันไม่ต่างอะไรกันแต่ปฏิวัติโดยพลเรือนนั่นเองเมื่อวานในท่านท่านพิจิตรพูดทีเอื้อคมเนี่ยคมพูดพูดสั้นนิดเดียวมันไม่ใช่ว่าพอแก้ตรงนี้แล้วในเบ็ดเสร็จสมบูรณ์แก้ตรงนี้คนหนึ่งก็แก้ต่อพอแก้กันมาแล้วตั้งสิบกว่าฉบับแล้ว นี่คืออะไรคืออดทนต่อถ้อยคําที่ถามเพี้ยนเพียนถามอะไรแต่ก็อดทนได้แล้วก็ตอบได้กระตุกคนเข้ามาสู่เหตุผลได้มานับหนึ่งกันใหม่ได้หนฟุ้งซ่านออกไปมากแล้วอ่ะฟุ้งซ่านเอาไปใหญ่ตาล้อกันใหญ่นะฮะปฏิรูปตอนนี้ยปฏิรูปกันเมือ น, นี้ไปกันใหญ่เพราะคําพูดเมื่อวานเนี่ยกระ ต, ตุกกระตุกก็คนหยุดคิดได้แล้วนะฮะมันไปกันใหญ่แล้ว ไม่รู้เรื่องอะไรแล้วยังเข้าใจว่าทุกคนไม่ได้อ่านอะไรต่างไปหลายคนดีไม่ได้อ่านไม่ได้อ่านตัวรัฐธรรมนูญมาจานนี้มีมีตั้งหลายตอนนะะหลายหลายข้อย่อยเลยกันอันนี้ก็คือคือคือการอดทนอดทนต่อพฤติกรรมต่างๆที่ไม่เหมาะไม่ควรมันเหมือนกับครูที่อยู่กับเด็กไม่ต้องอดทนคําพูดกับเด็กได้อดทนพฤติกรรมไม่เหมาะไม่ควรกับเด็กได้ พระอยูก่กับศิ์ก็ต้องอดทนได้พ่อแม่อยู่ก็ลูกก็ต้องอดทนกับลูกได้ใช่มต้องลงว่าท่านเหล่านี้ก็คือท่านที่เป็นบุปการเลยอดทนรอคอยอดกั้นการกระทําที่ไม่เหมาะไม่ควรในะแต่อกว่ากันไปเรื่อยๆค่อยๆแก้ค่อยๆคิดค่อยๆทำกันไปเด็กก็ไม่ถูกโดดเดี่ยวไม่ถูกทอดทิ้ง ก็มีคนอย่างให้ความเมตตาอือเพื่อหมายความว่าคนที่อดทนได้เนี่ยต้องมีเมตตาสูงเมตตามีเหตุมีผลสูงอาจจะมองแง่แนวมองในด้านวุฒิภาวะในดอนความรู้ความเข้าใจความรู้เท่าหมายถึงการความเร่งด่วนแรงตรายต่างๆก็สรุปว่าอดกอดอดอดอดอลั้นอดทนรอถอยคำเราได้อดทนตัวกายเป็นเรื่อง เป็นเรื่องหลักเป็นฐานสองวันมาเนี่ยมันมีเรื่องวุ่นวุ่นวายๆอยู่ถึงองค์กราศาสนาฮินดูเ้าเคลื่อนไหวจะมาประชุมที่เมืองไทยในเดือนกุมภาข้างหน้าเนี่ยผู้นีมวสพัน4 0 0ร้อยะนะปุษถังกราจาญเนี่ยมันเข้ามาบิดเบือนคำพีพระพุทธศาสนาชะโยอแล้วคำพีพุทธศาสนาไปไว้ในคำพีเขา ระเบียนนี้เอกสารนี่เผยแพร่เมื่อคืนก็คุยกันดึกเผยแพร่เนี่ยเขาเอาพระพุทธเจ้าเป็นอวตารของมานารายเป็นอยตรเรอะเลยหลายประดิแล้วมาประชุมแล้วก็คนของเราไปเป็นสนับสนุนขเขาเลยก็ค่อนข้างบุญวายนิดหน่อยนะฮะหยุดอ่อนของของชาวพุทธเราเนี่ยคือเราไม่ได้ศึกษา ให้แตกสารพระเองก็เรียนไม่ลึกเห็นปั๊บแต่มันแยกไม่ได้ปัญญาในศาสนาพุทธต้องแยกได้เลยอย่างที่เคยยกตัวอย่างว่ากลิ่นมาปั๊บนี่เราต้องแยกได้ทันทีว่าคุณจะหายใจลึกๆหรือควรจะอั้นลมหายใจหรือควรจะผ่อนผอนต้องวินิจฉัยกลิ่นนั่นได้ทันทีนะเพื่อไม่ให้ใจเอากลิ่นพิษเข้าไปคําสอนในาศาสนาพุทธ มีเยอะที่มันปนกันนะเราไม่รู้เองเพราะเราไม่ได้ศึกษาถึงภูมิหลักของความคิดต่างศาสนาว่าอะไรละ่ะมีอายตานิพพา น, านมีแดน น, นิพพานมกลฏที่พระเจ้ามนุฏที่โลกเที่ยงกุฏที่ของพรามหมณ์สมัยโบราณมีแดน น, นิพพานเนี่ยอายตานิพพานอยู่มีเมืองแก้วคือป็นนิพพานอยู่มความคิดของพราหมณ์ไม่ใช่ของพุทธ มันเป็นพบมันเป็นชาตินิพานมันมีพบมันมีชาติแต่เราไม่เข้าใจเราก็ชื่นชมกันปลายกันใหญ่นิพานไปแล้วไปอยู่ในเมืองนิพานอยู่ทำอะไรงานการก็ไม่ทำเสียเวลาเป่าคือไม่ได้คิดว่าอยู่ตรงนั้นแล้วไปอยู่ทำอะไรอยู่เฉ ย, ยเฉยเฉยไม่ทำมากินอะไรนั่งเฉยเฉยอยู่ทำไมเฉยเฉยลองนั่งเฉยเฉยดูสักวันเนี้ยได้เรื่องอะไรมากคน คือคือคือไม่ได้คิดต่อไม่ได้คิดต่อไม่ได้คิดให้เต็มทางโครงสร้างแต่ทำให้ตกเป็นเครื่องมือของคนอื่นแต่ง่ายมันเคยโพสต้องผ่าาร้ยี่สิบห้าเนี่ยฮะมันเคยเคยมีปัญหาที่ก็ตัดสินปรัชญาอินเดียโดยเฉพาะพุทธปรัชญาให้ได้รางวัลที่หนึ่งะฮะได้รางวัลรัชดาพิเศษสมโพธ มันมาเอามาอ่านดูมันผิดตั้งแต่นหน้าแรกเลยบอกเอ๊ะนี่มันมันมันบิดเบือนศาสนาพุทธเนี่ยมันคุณให้รางวัลก็ได้ไงตัวใหญ่นะในที่ที่ประชุมกรรม ก, การใหญ่ก็บอกว่าให้เกียรติกันนะแต่คุณไม่ได้อ่านกระอ ก, อกโอ้อาจารย์ทําอย่างนี้ก็ยุ่งตายหมดเลยหนังสือนี้มันออกไปเป็นหนังสือได้รับรางวัลรัฐดาพิเศษสมควรเป็นตำามาตรฐานนะฮะเป็นที่ยอมรับของสังคมแต่ว่าบิดเบือนศาสนาพุทธ แล้วเราก็ปล่อยไปนั่นคือมีปัญหามีปัญหาในด้านการทำความเข้าใจในด้านการแยกแยะล้วก็ตื่นเต้นไปกับของดำแปดอย่างอะไรแต่ไรนี่ราหูพระจันทร์ราธิก็ยุบไปหมดเลยไเอาอะไรไม่รู้มาอิเลยเคขาปนกันหมดหมดเลยไปด้วยอะไรแต่ไรเพราะฉะนั้นตรงนี้ท่านท่า น, านจะเห็นว่าไอ้คำวาวัดตาที่ส่งสอนเนี่ย ในความว่าคนจะต้องมีความฉลาดสามารถในการชี้แจงในการอธิบายแต่การจะมาถึงจุดนั้นได้เราก็ต้องมีการศึกษามีความรู้มีความเข้าใจแล้วก็แยกระหว่างมันนิดเดียวนะเราเจะเห็นว่าฮินดูก็สอนเรื่องกรรมเราสอนเรื่องกรรมมันต่างกันตรงไหนเราสอนแบบกระแสไฟเราก็สอนแบบกระแสไฟหรือกิดดับเกิดดับเกิดดั บ, ดบมันต่อกันเป็นแับของเราเป็นเกิดขณะแต่ของฮินดูมันต่อเป็นพืชไปเลย เห็นนะหินดูต่อเป็นพืชไปเลยคล้ายๆกับเนื้อตัวของเราเนี่ยเราสอนรู้วยเจ้าสอนเนี่ยแนวลึกที่จริงมันไม่มีเนื้อมันเป็นมันเป็นอนุที่มันต่อกันแต่แต่แต่่ไม่รู้กี่ล้านอนุต่อกันมาแล้วพอย่อยไปมันก็ไม่ไม่มีแม้แต่อนุมันเป็นปรมาณูแต่เขาพูดเนื้อๆเลยก็พูดเนื้อทั้งเนื้อเลยที่จริงมันไม่มีเนื้อเนื้อมันไม่มีมันเป็นอนุที่มันต่อกันเท่านั้นเอง เห็นไหมนี่คือต่างกันนะแสดงอะไรสะแสดงว่าตาที่เห็นน่ยมันต่างกันไอการเห็นแยกจนไม่เป็นเนื้อเนี่ยสแสดงมาต้องใช้เครื่องขยายอย่างดีเลขยายกี่ล้านส่วนจึงเห็นได้อยังงั้นเพราะจริงๆมันไม่ใช่เนื้อมันเป็นอนุมาต่อกันนะจ๊ะมันวัดถึงภูมิปัญญาของผู้เห็นเห็นไหมมันวัดตัวแสงเนี่ยวัดตัวแสงที่ดูเนี่ยเพราะแสงสว่างมันต่างกันมันก็ ทำให้ถ่ายถอนความยึดมั่นถือมั่นใจว่าที่จริงมันไม่มีตัวมีตัวอะไรในแง่ของความจริงหีืแท้จริงไม่มีตัวไม่มีตัวอะไรแต่ในขณะเดียวกันก็สอนแง่สมมุติไว้ด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวเดียวเดียเด๋ยวยุ่งเดี๋ยวข้ากันได้อีกแล้วเห็นไหมนั่นคือสิ่งที่ต่างกันแล้วเราถ้าเราไม่เข้าใจเนี่ยเราอธิบายกรรมเป็นเป็นแขกไปเป็นเป็นฮินดูเช่นเะช่นอธิบายแนวแนวเนี้ย สมมติเราเหมือนเราย้ายบ้านไอ้นี้สำนวนนะฮะสำนวนภาษาชาวบ้านชาวบ้านภาษาสมมติเนี่ยอธิบายได้เช่นว่าพอร่างกายตายไปเหมือนกับเราอยู่บ้านเนี่ยไฟถูกไหม้บ้านแล้วเราก็ย้ายบ้านไปอยู่ที่ อ, อื่นแสดงว่าตัวเราเนี่ยไม่ไม่เป็นอะไรเพียงแต่เราย้ายบ้านนั่นเองเพราะาตายจากชาตินี้ก็ไปเกิดในชาติหน้าชาติเกิดยังเป็นเราเป็นโลกเที่ยง เห็นไหมเราเจอบ่อยมิจฉาทิฏฐิโลกเชียงโลกไม่เชียงทุกนั้นมิจฉาทิฏฐิตั้งนั้ น, น, นแล้วเราแยกไม่ออกพอแยกไม่ออกเลยปนกับจุ้งนีหลายประเด็นนะกำลังหาเอกสารนะกำลังเอ่อรวมรันแปลเอกสารภายในสักเจ็ดแปดวันนะคงจะได้เอกสารออกมาเป็นปัญหาเยอะพอมันเผยแพร่ออกมาแล้วเนี่ยสังคมที่ไม่รู้ก็เข้าใจ พราะเราไม่ไม่เคยคิดเราเราใช้ความเชื่อเป็นหลักแล้วโดยโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างเราจับประเด็นว่าอะไรละ่ะมรดได้กับมรกใหญ่หมายความมาเข้ามาจะเอาคนไทยเป็นเครื่องมือง่ง่ายให้เงินคือสมัครพวกมรกได้ให้ตำแหน่งสมัครพวกมรกใหญ่เอาเป็นเครื่องมือได้ทั้งสองฝ่ายเพราะว่าพวกนี้เป็นอาการของโลกะ โลภะมันจะมีโมหะมันจะไม่มีเหตุผลคิดไกลถึงความสวยงามความบริสุทธิ์หมดจดของพระาศาสนาสิ่งเหล่านี้จะต้องมีความดีงามมีความถูกต้องที่สืบต่อกันไปและไม่เป็นพิษเป็นภัยแก่ใครแต่ถ้าปล่อยให้ใครมาปลอมปนสูตรยาของพระพุทธเจ้าไปเดี๋ยวก็ยุ่งกันหมดคนนุ่นหลังกินก็ไปตายเลยศาสนาก็เสื่อม ปฏิบัติแล้วเกิดไม่ได้ผลศาสนาก็เสื่อมแล้วพอดีก็มีลูกศิษย์เขาเป็นเป็นด็อกเตอร์มาแล้วเขาเคยไปปฏิบัติอยู่กับฤษีหลายปีพอดีเขามาเมาื่อวานเนี่ยนะแล้วก็บอกเอานี่ไปดูไปสรุปมาดูเพราเขาเคยศึกษามาแล้วเขาก็เล่าฟัางเขาเขาบอกว่านั่นแหะเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าเคยติดนะน่ ก็ อ, อยู่ในสมณ์อลาดาวตบอ่ะมันมันคล้ายๆจะได้นะทีจริงมันไม่ได้มันคล้ายๆจะได้แต่ที่จริงพอลุกขึ้นเนี่มันหายไปะไปเจออารมณ์มันหายไปตอนนั่งสมาธิมันเป็นดีๆจิตมันสงบดีพอลุกขึ้นเจออารมณ์ออกไปเลยของแขกก็จะมีลักษณะงั้นเพราะอันพวกนี้จึงรุนแรงแในพวกชุดเนี่ยที่จะเข้ามาเคลื่อนไหวในเมืองถทยคือพวกที่เผาเผาสุเราของแขกที่อยุธยาเมือ่อสามหกนะฮะ ตีฆ่ากันอุตลุดไปหมดเลยอ่ะพวกเนี้ยจะมาเคลื่อนไหวในเมืองไทยเดือนเดือนตุลาไม่ใช่เดือนเดือนกุมภาจะมาได้หรือไม่ได้ไม่รู้อะพัพม่ากัม芒ไม่ยอมไม่ผ่านนะะก็จะเดินมาฮะจะเดินจะเดินลีมาคงใช้เวลาเดินวันสี่ห้าเดือนเนี่ยพุจิกาธันวามกรากุมภาประมาณสามเดือนมากัจะออกจากเวันที่สิบแปดพุชิกานี่ก็เป็น เป็นเรื่องที่มันสืบเนื่องมาจากจากความรู้จากความรู้จากความเข้าใจในการชี้แจงในการอธิบายในการแยกแ ย, กแยกพะพอเราทําไม่ได้ตรงนี้เราก็ไปเลยนะฮะก็ไหลเข้าไปสู่กระแสเพระฮินดูกับพุทธเนี่ยมันปฏิบัติการทางจิตมาเหมือนกันผ่านสมาธิมาด้วยกันนะฮะผ่านสมาธิมาด้วยกันเพราะฉ่นัินดูได้ฌานเราได้ฌาน แตเ่เราถึงนิพานนี้ดูไหมนิพานมันต่างกันจริงจริงต่างระดับโลกุตตรระดัต่างตั้งแต่ปโสรดาบันขึ้นไปนี่ต่างชัดมากข้างล่างนี่ไม่ค่อยต่างอะไรกันมากนะะักนะเพราะนั้นถ้าเราแยกไม่ออกแล้วก็มั่วม่วเหมือนกันประการต่อไปนั้นท่านบอกว่าคำพีรังกัดถังกัดตาไอเนี้ยมาเมากขศก้อนสามารถที่จะอธิบายเรื่องนี้ให้ลึกซึ้งได้ เชื่อมโยงอะไรให้เห็นได้ว่าทําไมจึงจึงไม่จริงทำไมจึงไม่จริงอย่างอย่างเนี้ยยกตัวตัว อ, อย่างว่ามีมีส้นนักหนึ่งก็ส่งเอกสารมาให้ตมาเลยเพราะต้องการให้เราเป็นแนวร่วมที่สนับสนุนแดนนิพพานของเขานะฮะเอามาอ่านแล้วก็อามาก็ขำอ่ะขี้เกียจพูดขี้เกียจพูดขี้เกียจเถียง ก็ว่าที่จริงก็เดินไปถึงเจอแล้วก็รู้เองไง น, นะครับปฏิบัติไปถึงไปถึงก็จะรู้เองมันไม่ใช่หรอกเราเถียงกันเสียเวลาเปล่าแต่เราต้องมองดูนะว่าธาตุนิพพานเป็นที่อยู่กันแน่นอายตนะนิพพานอยู่กันแน่นเหมือนปราสาดินเนี่ยนะอยู่ทำอะไรมันต้องตั้งปัญหาถามมาอยู่ทำอะไรแล้วมันขัดแย้งกันหมดเลยนะพระพุทธเจ้าบอกนิพพานเนี่ยไม่มีภพไม่มีชาติ อาญามันติมาชาติชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายไม่เกิดเดียน์นติดานนี้พุรณะภวุโไม่มีพบอีกอ่ะผู้เจ้าไม่มีพบไม่มีชาติเพราะกระพบพบชาติมันเกิดมัจะกินเละกระบวนการปัจจัยการก็ไม่ถูกทำไมไม่ถูกธรรมาแล้วทีนี้สมมติโดยเกิดไปอยู่โดยเที่ยงแท้แน่นอนก็แสดงว่ามันเป็นสังขารถ้าเกิดเป็นรูปมันเป็นสังขารสังขารต้องไม่เที่ยงสเปสังฆารานิจารผู้เจ้าบอกไม่สังขารอะไรเที่ยงไม่มีสังขารต้องไม่เที่ยง เห็นไหมมันก็ขัดแย้งกันอีกแหละไอ้ตัวสังขารเนี่ยตั ว, ต, วตัวนี้มันเป็นชาติสถานที่อยู่มันก็เป็นภพทั้งภพทั้งชาตินะฮะทั้งตัวเกิดทั้งที่อยู่เนี่ยมันเป็นสังขารสังขารก็ต้องไม่เที่ยงเลยอันนี้ก็แสดงของสังขารเที่ยงเนะหสังขารเที่ยงผิดหมดเลยนะผิดต้องสูตรเลยแล้วมันเกิดมาจากอะไรเมื่อไม่มีกิเลสเพราะสิ่งน่าร้ายน่านต้องเกิดมาจากกิเลส มันเหมือนกับพืชที่มันแห้งกรอบหมดแล้วปลูกงอกหรือเปล่ามันก็ไม่งอกเห็นได้ชัดหมดเลยว่าตัวเนี้ยที่จริงไม่ถูกต้องปัญหาสําคัญว่าคนที่บรรลุมรคผลขนาดนี้มันเกิดเมตตาการุณาต่อคนอื่นท่างเฉยเฉยไม่ได้หรอกท่านไม่อยู่หรอกเฉยเฉยอ่ะปุจ้าร์ตลอดตลอดตลอดตลอดมจะสอนคนเนี่ยป่วยประชวรอยู่บนประเทศยังนั่งสอนคนอสอนคนอยู่เลยนั่งสอนไม่ได้ยังนอนสอนเลย เห็นไหมพระพุทธเจ้าท่านไม่หยุดเลยอ่ะใจเป็นการลุ่มนาโคดีนเป็นทุกขกันน้ําท่วมกันเกลื่อนวยหมดเราไปนอนจะได้อย่างไงอ่ะมันไม่ได้มันมันทำไม่ได้อยู่แล้วโดยโดยสภาพเพราะงั้นนี่คือความขัดแย้งหมดเลยปัญหาทางความป็นอยู่ทาอะไรอยู่เฉยเอยู่เฉยเอยู่ทําอะไรเฉยเชีวิตไร้ค่าชีวิตมันต้องมีค่าเมื่อทําประโยชน์ตัวเองเสร็จมันต้องช่วยสังคมมันต้องช่วยคนอื่น พระอรหันนัเป็นอย่างนั้นพรุทธเจ้าทั้งหลายท่เป็นอย่างนั้นอันนี้คือคือสิ่งที่เราต้องคิดต่อว่าอธิบายต่อไปสิเถอตรงนี้มันเป็นอย่างไงเรื่องคพีรังกัถังกัดตาในความสามารถชี้แจงอธิบายในเรื่องเหล่านั้นได้ลึกซึ้งแล้วก็เชื่อมโยงดูเทียบเคียงกันดูเทียบเคียงกันดูแล้วก็จะเกิดเป็นความรู้ความเข้าใจทีนี้การอธิบายปัญหาว่าอธิบายแก่ยวใครอะ่ะมันก็ยกัยกยาก้ยายาเปลี่ยนแปลง S <S <an> เห็นไหมว่าเรื่องเดียวพระเจ้าทรงสอนอธิบ า, ายที่จริงมือเรื่องเดียวนะเรื่องเดียวเรื่องอริยสัจตัต้งนั้นฮะแต่มีวิธีอธิบายไม่เหมือนกัน <S <S <an> <S ดูคนมั่งดูธรรมมัง่งไอคนนี้มันเด็กอ่ะผู้ ก, กับเด็กอ่ะพู้ ก, กับเด็กมันพูดเป็นตัวเป็นตนเลยไม่ไม่ต้องเอาเที่ยงอายน้าตาไม่ได้หรอกเดี๋ยวเด็กอนาตาไม่ได้หรอกเด็กมันก็ตัวตนเลยอ่ะตัวตนเลยยิกให้ดูเลย เด็กไปตีสัตว์คนอื่นเรายิกให้ดูเจ็บไหมก็เจ็บถามว่าสัตว์เจ็บไหม ก, ก็เจ็บกันยิกกันเลยนะคือทําให้ดูเลยให้เธอสัมผัสให้เรียนรู้เสียแล้วมันจะพูด ง, ง่ายอันนี้พุธไปพูดตัวตนไม่ได้ไปพูดไม่ใช่อนัตตาไม่ได้แล้วอนัตตาเราจะเห็นว่าพูดจริงๆเนี่ยเขาพูดในห้องกับมาฐานเขาไม่พูดเป็นการทั่วไป กลุ่มคนต้องชัดเจนว่าสามารถเข้าใจได้ถ้าไม่สามารถเข้าใจได้มันก็ต้องปรับขึ้นไปจนเข้าใจแล้วถ้ายัางไม่แน่ใจก็ต้องแยกให้เห็นว่าอันนี้เป็นระดับปรมัดนะอะไม่ใช่ความจริงที่ธรรมดาธรรมดาตัวตไปธรรมดาธรรมดาก็มีพ่อมีแม่มีลูกมีอะไรแต่ไรนี่แหละก็มีครบนั่นแหละแต่ว่าปรมามัดเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นความจริงที่แท้จริงเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นก็ต้องแยกให้เข้าฟังแม้มันเกิดมีความสับสน เราจะเห็นว่าพระเจ้าอธิบายเรื่องลึกซึ้งที่แรกาอะายางธรรมโมกัมพีโรคัมพีโรก็เถื่อีมันมันลึกลึกมันก็มันก็ว่าจะสอนใครล่ะสอนลึกลงไปขนาดไหนมันลึกจริงนะแต่ว่าคนคนนี้มันรู้ขนาดนี้ดิมตะลิ่งก็พอแล้วดิมตลิงไปลงมันไม่ได้มันลึกเดียวตายแต่ก็ได้ประโยชน์ระดับตะลิ่ง นะมื่อก็อะไรเมื่อก็แม้แต่จับสัตว์เห็นไหมอวนน้ำลึกอวนน้าตื้นอวนชายฝั่งเห็นไหมมันมันมั น, ม, นมันก็มีลักษณะอย่างนี้เน่ยมันก็ได้ประโยชน์ในจุดนั้นเพียงแต่ว่าท่านผู้นี้สามารถบางครั้งมันปัญหาลึกซึ้งอนะแล้วเราก็เมื่อจะพึ่งใครไปถึงไปถามท่านท่านสามารถชี้แจงอธิบายให้ได้ตอบให้ได้แล้วก็มันมีอุบายวิธีในการตอบ อย่างเรื่องนี้ยฮะเรื่องนี้มีอาจารย์จากจากเกษตรเขาไปพบกับหลวงพ่อกัาพระพระบรนนอกะบรนณอกอไง น, นะฮะบรรณอกะบรนณอกะเขาไปเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเรื่องที่เล่าตะกี้นะฮะเป็นเรื่องยาวก็ถ้าบอกพวกเราต้องช่วยกันนะถ้าไม่ช่วยกันก็ไม่ใช่คนน่ะ พูดง่ายๆอย่างเงี้ยเอเ อ, เอมันชัดนะพระบันนอกพูดไปง่ายๆเดี๋มันชัดมากเลยเออผู้เราต้องช่วยกันนะถ้าไม่ช่วยกันก็ไม่ใช่คนเพราะว่ามันจะเป็นปัญหามันจะแพร่สร้างความแตกแย ก, กแาราษานขึ้นความหลงวิสัณฐาเข้าใจพระส า, าสน า, า, ส า, าสนาิดไม่รู้จักพระพุทธเจ้า ก, ก็ถูกปลอมนะครับมันพวกนี้เอาพระพุทธเจ้าเราเป็นอวาตารนะนะ ที่จริงที่หนังสือที่กระทรวงต่างประเทศอ้างมาเขาบอกปางที่เจ็ดที่จริงไม่ใช่เจ็ดอะทีคำพีสั่งราชานว่าจริงปางที่เก้าอันที่เก้ามันออกพระพุทธเจ้าเราไปเที่ยวกับพระรามพระกริตศนาหลังพระรามพระกริตศนาอย่างระกริตศนพระราวนะพระพุทธเจ้าแล้วก็นอกนั้นเป็นอะไรเป็นหมูเป็นอะไรอะไรในในในาลายวตารสิบปางนะฮะปางที่สิบยังไม่เกิด ตอนนี้สายแขกกันไปอย่างไงแน่ น, นะแต่ว่าเขาพูดเขาทําเฉพาะเขานะทำไปแต่การที่เราเข้าไปยอมรับเขาเนี่ยมันมันจะแพ้การประชาธิปัญก็แสดงว่าชาวพุทธในเมืองไทยยอมรับแต่แล้วชาวพุทธเราจะทะเลาะ ก, กันเองชาวพุทธญี่ปุ่นก็ไม่รับที่เบสอะไรละมากประกาศไม่เชิญถึงเชิญก็ไม่ไปไอ้พวกนี้มันพยายามกลืนพุทธมานานแล้วประกาศเลย ก็เราเข้าไปแล้วกัแล้วถามเมื่อคืนเรประชุมกันนานไหมบอกชั่วโมงกว่าชั่วโมงกว่าประชุมเรื่องข น, นาด น, นี้นะฮะชั่วโมงกว่าแล้วไม่รู้อะไรเลยโทรไปหาเลขานุการที่ประชุมเมื่อคืนดึกแล้วเป็นลูกศิษย์ลูกศิษมางั้นเลยสองฝ่ายเนะี่ยยุ่งจังเลยก็ถามวาเธอได้อ่านหรือผมไม่ได้อ่านบอกไม่ได้อ่า น, านให้เวลาอ่านสามวันแล้วมาพบกันเดี๋ยวมาคุยกันไม่เข้าใจ ไม่เข้าใจเรื่องั้งๆ ท, ที่ว่าเป็นด็อกเตอร์นะฮะเพียงแต่ว่าเขาไม่เข้าใจเองไปไปเห็นแก่คนไปเห็นแก่คําพูดหรูๆตัวตัวตั ว, ต ว, ต ว, ต ว, ตวพาดหัวตัวชื่อนะฮะไม่เลยดูเนื้อในนั่นคือมองไม่ลึกพอมองไม่ลึกมันก็มีปัญหานะว่าสิ่งทั้งหลายมันหลายมิติเราต้องเห็นทุกมิติมันไม่ใช่มองอเฉพาะมิติใดมิติหนึ่งจะมีปัญหาได้เงี้ โดยง่ายนะฮะเพราะว่าคนในปัจจุบันเราเรียกว่าที่จริงมันจึงความเป็นเจ้านะสมัยปัจจุบันก็จริงกว่าเป็นเจ้าอัตมาอุปมาก็ฟังบอกว่าเนี่ยคุณคุ ณ, ค, ณคุณลองคิดดูแนวคิดนี้ที่จริงมันเป็นแนวปล่อยม้าอุปการในเรื่องราวมังกร น, นะฮะเราจะเห็นว่าแนวปล่อยม้าอุปการการปล่อยม้าอุปการคืออะไรคือคือส่งม้าเข้าไปมีกองทัพตามไปข้างหลังแล้วก็ถ้าเมืองไหน ต่อตาพวกนี้ก็จะเอากองทัพเข้ารบเมืองใหม่ปล่อยให้ผ่านก็ดึงทหารเข้ามาช่วยรบรบเพื่อใครก็รบพวกเพื่อพวกปล่อยมา อ, อุปการนั่นเองคนที่เป็นใหญ่ก็คือคนที่ปล่อยมาแต่นั้นเองเพราะฉะนั้นเขามาทําพิธีปล่อยมา อ, อุปการเราก็คือทหารเลวที่ช่วยเขารบกันนั่นเอจนแล้วเขาก็ใหญ่ความคิดแขกในอ่านง่ายจะตายนะะคิดมาเป็นรูปธรรมได้ทันทีเลยพูดออกมาเลย เราจะอธิบายได้เป็นรูปธรทําริงอ้อยตรงตรงนี้ค่ะคราวนั้นคราวนั้ น, นยุคนั้นยุคนั้นก็คือคิดอย่างนี้ตอนนี้เขาก็ความคิดเปลี่ยนชื่อนะแต่รูปแบบมันไม่เปลี่ยนเนื้อหามันไม่เปลี่ยนความคิดไม่ไม่ไม่ไมไมไมเคยนั่นต่อเลยนะฮะเอาจิ้งแคะที่มันเป็นอนุรักษ์นิยมอันเยอดๆติดในรูปแบบยึดติดในรูปแบบในอนุรักษ์นิยมไม่ไม่จนถึงทำพีประเวศของเขาก็เรียกว่า เนความเปลี่ยนแปลงเดียวไม่มีการเปลี่ยนแปลงย้ายที่คําสอนตรงนั้นไปอยู่ตรงนั้นคำสอนตรงนั้นไปอยู่ตรงนั้นมั น, น, นก็มีเท่าเดิม น, นะมีเท่าเดิมเท่าที่เมื่อห้าพันกว่าปีที่แล้วก็เชื่อมาอย่างไงเดี๋ยวนี้ก็เชื่ออย่างนั้นเพราะะนตรงนี้ท่านให้หาคนที่สามารถชี้แจงอธิบายได้ลึกซึ้งนะฮะเมื่อไพ่เราหายาก หายาาต้องระดมคนนะต้องระดมคนก็มาช่วยช่วยกันหลายหลายคนจึงยาศึกษาในเรื่องเหล่นี้ได้และที่สําคัญอย่างยิ่งคือต้องไม่แนะนำในทางผิดโนจักถา น, นิโยเยคือไม่แนะนำในเรื่องที่ที่ออกไปนอกรูกนอกทางไม่แนะนำไม่ชักชวนไปในทางเสื่อมเสียนะก็คือก็ก็คือคืออะไรคือ เป็นกัลยาณมิตรนั่นเองเราต้องการเขอผ่านสมาคมกับท่านเพื่อได้หลักเพื่อได้แนวเป็นเครื่องมือในการดําเนินชีวิตในการวินิจฉัยในการตัดสินท่านต้องเป็นหลักให้ถ้าท่านไม่ได้หลักท่านนําเราเข้าราเข้าป่าแล้วมันก็สื่อมมันเหมือนกับคราวนี้นะฮะท่านท่านท่านจะเห็นว่าอย่างไรนะไอ้โสธรน้อยจู่สูนิชิเกา่าที่อยู่าษาษาทีนนะ่ธรรมศาสตร์นี่ย เขาประกาศห้ามพูดแทนหนามุทธธิสมาชิกมาเกี่ยวข้องกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญแก่ไม่รู้ว่าแกน่ะเป็นใครอะเป็นเด็กเรียนหนังสือเสีย ก, ก่อนเป็ลูกมายุ่งกับเขาทําไมเรียนหนังนสือเสร็จไปแล้วก็ค่อยๆทางานทําการค่อยว่าเสียภาษีเสีย ก, ก่อนค่อยไปวุ่นกับเขาไอ้มันมีสตางค์จ่ายค่าภาษีเส ก, ก่อนอ้เ น, นี้ย ค, ค, คือเราจะเห็นว่าเราไม่ได้สอนคนให้รู้สานะแล้วอาจารย์ก็ไม่แนะนําให้รู้เหตุผลเพราะเวลานี้เธอคือนักศึกษากัน สิทธิหน้าที่ตรงเนี้ผู้แทนนะ้าจอมเขาะรับมอบมอบหมายมาโดยเงื่อนไขของรัฐรมนูนก็ เ, เป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยเราไม่ใช่ผู้แทนผู้แทนปวงชนชาวไทยคนที่เป็นผู้แทนประชนชาวไทยรัฐดอนเขาเลือกมาแล้วก็าปลอยเป็นหน้าที่ทของเขาสินี่คือการแนะนํากันในทางนี้ผิดเราจะเห็นว่าบ้านเมืองเราที่มีอยู่ยุคหนึ่งที่ที่อาจารย์ปุกกดดมอยู่หลังกระดานขระนวน่ย หลังกระดานดำเดี๋ยมันเกิดจลาจน14บตุลาอะไรต่ออะไรหตุลาเนมันเกิดมาจากการประดมของครูบาอาจารย์ตามหาวิทยาลัยทั้งหลายปลุกเด็กพวกนี้ขึ้นมาอันนี้คือคือแนะนําในทางนี้ผิดตัวอย่างบทเรียนทางประวัติศาสตร์ของเรานสอนเราแล้วเพราะนั้นพระพุทธเจา้าบอกถ้าเห็นคนที่มีคุณทรัมบัตอันนี้เจ็ประการที่ว่ามันี้ให้เคารพนับถือถือเป็นมิตรเป็นสาขายเป็นที่พึ่งทำนักเป็นที่ยึดเหนี่ยวได้ เพราะมันจะมีประโยชน์แกเราโดยส่วนเดียวไม่มีโทษในการเข้าหาสมาคมคนเช่นนั้นก็สรุปสรุปจริงๆโดยเนะื้อหาสาระก็คือปัิตานันจะเสวนานะฮะในการเข้าหาสมาคมกับปัณฑิตท่านแนวมิตรก็คือก็คือการละยานามิตรสรงนี้จึงกลายเป็นบูชาท่านทั้งหลายจะเห็นว่าถ้าเราดูคุณสมบัติเจ็ดข้อมันไม่มีอะไรมันมีปัญญาฮนะมันมีปัญญามันมีความไมสุดมันมีความเมตตากรุณา เห็นหมฮะมีลักษณะของพุทธคุณอยู่ภายในใจของบัณฑิตผู้นี้บัณฑิตผู้นี้ก็ควรแก่การกรุ๊ปนะถือก็ะท่านนั้นแน่นนะเป็นเป็นบัวหาในการเทศเป็นปริยายในการเทศโดยเนื้อหาหลักก็คือกัลยาณมิตรคือบัณฑิตคือสัตว์บุรุษคือนักปราชญ์ทั้งหลายท่านหนงวันนี้เราข อ, อยุติไว้ในเวลาเป็นตัวนี้ที่สุดนี้ ข, ขอความเจริญงอกงามเผยบุรณาธรรมจงมีได้ท่านสาวชนทั้งหลายทุกทุกการทุกท่านเถอ